ว่านเทียนตายแล้วให้ไปจูดศพนเทียนเนี่ยหลวงพ่ก็ไม่ได้มาเพราะว่าวันที่เก้าเป็นวันที่ได้นัดหมายกับพวกขอนแกน่นเป็นวันเสาร์เมื่อแสดงธรรมที่ตรงนั้นก็ต้องกลับไปเทศที่วัฒนนาเป็นวันที่สิบเป็นวันอาทิตย์วันที่สิบเอ็ดเป็นวันจันทร์ หลวงพ่อต้องเข้าโรงพยาบาลระชี้ยาก็เลยไม่ได้มาพอดีถึงวันที่ยี่สิบห้าวันอะไรก็วันที่ไหมวันวันจันทร์ที่วันที่าวันจันทร์ที่ยี่สิบห้าก็เดินทางมาจากกรุงเทพมาถึงเมืองเลยค้างคืนที่นี่วันที่ยี่สิบหกเป็นวันอังคารเราไปปักสม พอดีไปถึงก็เราก็มีนโยบายพูดให้เขารู้เรื่องตกเย็นมาก็มาเทศให้พระให้โยมฟังที่บ้านวันที่ยีิบหกนะวันที่ยี่สิบเจ็ดก็ต้องเทศสันเซาก็ต้องเทศเป็นวันที่ยีสิบเจ็ดเป็นวันอะไรวันที่ยี่บเจ็ดเป็นวันพุธวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปด เทศแล้วก็มานอนที่ทัพมิ่งขวนวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดเป็นวันพ่อเลือดหัดนะวันนี้เป็นวันพ่อเลือดหัดก็มาทําวัดที่ทับมิ่งขวนเมื่อทําวัดเสร็จแล้วก็นําเรื่องที่ไปเทศให้พวกที่ปากสมนั้นฟังไปเทศปากสมนะเทศเรื่องอะไรคนทางทับมิ่งขวนอาจจะสงสัยว่า มีนั้นมีนี้เคล็ดลับยังไงไปเทศบ้านลูกชายอาจจะเข้าใจอย่างนั้นวันนี้ก็เลยจะแสดงความจริงให้ฟังเราไปเทศบ้านนายเทียนตอนไปถึงโอเลยไปทำความเข้าใจเรื่องชีวิตควมเป็นอยู่หรือเรื่องทุกเรื่องสุขพูดกันหลายแง่หลายมุมนี่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองอะไรต่างๆต้องพูดกันให้หมดเพราะว่านายเทียนตายไปแล้ว เราไม่มีคนทํางานกับนายเตรียมหลวงพ่อแล้วก็นางไทยนางภัยนายไกลกับแม่มันพูดกันให้มันเรียบร้อยอย่าให้คนอื่นได้ฟังเขาพูดกันตกหรงเรียบร้อยแลว้วหลี๋ยวเขเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านตกเย็นมากับมาเทศมาเทศ เ, เรื่องกุศลาธรรมมาเนี่ยเรื่องเรื่องคนตายเพราะคนตายก็ต้องเทศเดือกคนตายทีเทศกว้างไม่จะเทศให้คับให้แคบอะไรเพราะมันหลายคน เรื่องอั น, น้สง์บ้างอะไรหวานทั่วไปเนะะีน่ยเขาก็บรรเทาไว้ตอนเท้ามาก็เทศอีกเทศแคบๆอะไรเนี่ยเทศเอาใจคมสั้นเพราะเวลามันน้อยพวกเราก็เช่นเดียวกันถือหลักพระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลาสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้ากปีนี้แล้วบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็เข้าใจ เราไปเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพุทธสวรรค์นึกว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยพูดอะไรทูกต้องทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อเองก็คิดอย่างนั้นทีแรกพระสวรรัสด์เราเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็นึกว่าท่านพูดยังไงก็จะศักดิ์สิทธิ์เข้าใจอย่างนั้นเมื่ออายุสี่สิบหกปีนี่หลวงพ่อเลยเกิดคว่มสำนึกขึ้นมาในใจว่าเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่เป็นเพียงสมมติเท่านั้นเองจะเป็นพุทธสวรรค์ได้ยังไงเนี่ยเข้าใจอย่างนั้น คำว่าโนี่เขาคิดกันง่ายๆอยู่โทษสวรรค์ก็าพูดกับเทวดาได้พูดเรื่องเมืองสวรรค์ได้เขาจะโทษสวรรค์อย่างที่คนเราเป็นทูเกาพูดภาษาได้อย่างเช่นโทษอเมริกาโทษอังกฤษททษอะไรคนไทยไปเป็นต้องพูดภาษาเขาได้เมื่อคนไทยไปมีเรื่องมีราวเขต้องพูดภาษาของเขาจะได้ตัดสินตามกฎหมายไปอย่ังไงใครผิดใครถูกเรื่องอะไรหรือบางทีไปธุระซื้อขาย จะไดรู้เรื่องดังนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นทูตสวรรค์ทําบุญอย่างนั้นต้องได้อา น, นิสงส์เท่านั้นไปเกิดอย่างนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าต้องพูดอย่างนั้นบัทนี้ก็เลยวกเข้ามาเรื่องคนตายอีกหลวงพ่อก็เลยพูดได้บางคนตายพระสงฆ์องค์เจ้าไปให้มาจิกาบางสกุลไปให้บุญเนี่ยไม่ใช่ไปให้บุญแต่คนส่วนมากตัวของผมเอง ตัวของอัตมาเองก็เช่นเดียวกันเข้าใจว่าพระไปให้บุญคนตายแต่ความจริงไม่ใด้ไปให้บุญคนตายไปปรับความเข้าใจคนที่ยังเป็นคนที่ยังมีชีวิตเส้นลูกตายหัวตายหรือพ่อตายแม่ตายยังสามีภรรยาเนี่ยมันไม่ใช้ตายพร้อมกันมันตายคนละครั้งละหนคนละครั้งละทีเมื่อคนตายต้องเสียใจจิตใจน้อยเข้า จิตใจไม่พ่วงคว้างก็เลยหาเพื่อนบ้านน่ะเนี่ยไปปรับผมเข้าใจว่าไม่ต้องุกโศกอะไรมากตายไปแล้วก็แล้วไปเดี๋ยวนี้ก็เราพูดไม่เป็นต้องไปอาศัยพระสงฆ์ไปปรับผมเข้าใจคนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นให้เขาสบายใจจึงจะถูกต้องวันนี้ผ่าไปก็ต้องว่านโมตัสะพุทธังทำมังสังครังแล้วก็ กุศลาขึ้นมาทันทีมมกุศลาธรร ม, มาอกุศลาธรรมาอภยกตาธรร ม, มาทุกขายาเวทนายสัมปยุตาธรร ม, มาอันทุกขามันุกขายาเวทนายสัมปยุตาธรรมมาไปตามเรื่องหลักบาลีเป็นแล้วก็หาว่าผ้าให้บุญเนี่ยข่มจรงิงไม่ใช่อย่างนั้นคือผ้าไปทําคมเข้าใจกุศลาธรร ม, มาซึ่งกุศลอกุศลาธรร ม, มาซึ่งเป็นอากุศล อภิญญากตาธรรมะซึ่งไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขท่านว่าอย่างนี้คนตายไปแล้วจะไปเสียอกเสียใจมันคงยิ่งเสียใจไปบัด น, นี้คนที่เป็นเป็น เ, นเราไปช่วยกันคนที่ตายนั่นเนี่ยตายไปแล้วคนที่เป็นก็ต้องไปช่วยคนเก้าบาทสิบาทบาทหนึ่งสองบาทแล้วแจ็ดศรัทธาไปช่วยไปช่วยไม่ใช่ว่าจะไปช่วยกินนะไปช่วยคือเก็บเอาเงินอันนั้นไปทดแทน ให้เขาดีใจหรือมีข้าวมีอาหารอะไรก็ตามน่ะติดไม้ติดมือไปแต่ทําผมเข้าใจคนนั้นคนนั้นก็สบายใจขึ้นมาเพราะว่าดีใจเพื่อนฝูงหรือพี่พี่น้องน้อะไปให้ข้อคิดเห็นต่างๆแล้วก็สบายใจขึ้นมาผมพูดอย่างนี้ใช่ไหมเนืน้อหลวงพ่อพูดอย่างนี้ใช่ไหม พ, ออพวกที่ไปแตหลายคนไปแต่จะหาว่าหลวงพ่อเนี่ไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้บางคนอาจจะเข้าใจผิด เดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์เจ้าเราเป็นผู้สวรรค์ไม่ต้องพูดอย่างนี้แลนกเอาบุญให้โยมเลยพระเขาต้องเอาเงินไปเลยนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้แสดงว่าเราถือหลักพระพุทธศาสนาไม่เข้าใจกฎหมายแต่ดีอยู่แล้วอันเอาเงินให้พระดีไม่ใช่ไม่ดีนะดีตัวแตมาไม่ได้กวผงไม่ดีแต่มันดีแต่ว่าเราเข้าใจผิดว่าเราไปทําบุญค่วมจริงเนะ่ยไปปรับผมเข้าใจ คือพ่อตายแม่ตายลูกตายเมียตายเราจะอยู่ยังไงกินยังไงแล้วคนที่ไม่ทูกข์พ่อตายแม่แต่ก็สบายใจก็ไปทําของเข้าใจกับคนที่กําลังเศร้าโศกเสียใจนั้นให้คนนั้นสบายใจขึ้นมาผมเข้าใจอย่างนั้นวันนี้พี่พี่น้องน้องวันนี้เนี่ยพี่น้อ ง, องต่างบ้านต่างเพืองกันเถอะน้องท้องเดียวกันหรือพี่ท้องเดียวกันหรืออย่าเงี้อันนี้เป็นคนเขาใกล้ เราจะทํายังไงพี่เราตายน้องเราตายเนีวพี่สับภัยบ่น่องพ่ายบ่หรือว่าป้าอาลุงจะว่ายังไงก็ว่าได้จะอยูย่ยังไงกิน ย, ยังไงลูกหลานอย่างนี้จะทํำยังไงมีหน้าที่ทําอะไรเงินทองขาดตกบกคล้องอะไรหรือข้าวปลาอาหารมีหรือไม่ถ้ามันมีต้องช่วยกันเก็บช่วยกันรักษาถ้าไม่มีเพราะเรื่องอะไรต้องทําของเข้าใจกัน แปลว่าไปให้ข้อคิดค่อยเห็นที่ทําผิดแล้วก็เลิกที่ทําถูกต้องต้องปฏิบัติไป ต, ต้องแนะนำเขา อ, อย่างนันเขาสบายใจบัด น, นี้นานๆเข้ามาเดือนหนึ่งเราจะทํำยังไงควรไปปรับผมเข้าใจกับบุคคลเหล่านั้นเดือนละครั้งหรือสองเดือนสามเดือนหนึ่งครั้งหรือว่าใหม่ๆก็ต้องทุกวันละดีไปปรับปรเข้าใจเพราะว่า เห็นหน้าพี่น้องไปก็สบายใจใจก่อนล่าเริงเบิกบานขึ้นมาความทุกข์ก็หายไปพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกทุกสมุทัยดิโลมรรคท่านสอนอย่างนั้นแต่เราไม่ได้เข้าใจเรื่องความหมายเราพอที่จะมองเห็นได้พระพุทธเจ้าตายไปไม่กี่วันหลักพระธรรมวินัยนี่ก็เช่นเดียวกัน มีภิกษุจ่วงจาาต่อพระธรรมวินยัยหาว่าพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นคนจุกจิจุจี้อี้พระเรียดตายแล้วก็สบายใจอยากทําอะไรก็ทําไปอยากพูดอะไรก็พูดไปเนี่ยครัง้งหนึ่งอันนี้เรียกภิกษุสุพะัะปราริพัสกใช่ไหมหลวงพ่อผู้ที่เคยได้ยินได้เรียนมานะ่ะจ่วงจาาต่อพระธรรมเนยียตั้งสังฆานายขึ้นมาทําอยู่ระยะเจ็ดเดือนแต่คราวนั้นยังไม่ได้บันทึกหลายลักณอักษรมีแต่พระอัรหรัน ไปแสดงให้ฟังเนี่ยก็จดจําเอาไว้จนสังขา ญ, ญายนาครั้งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าพี่แต่ถ้าจะพูดตามลําดับมันก็ยืดยาวไปสังขั ญ, ญายนาครั้งที่ห้าพระพุทธเจ้าตายไปแล้วลุนิพานไปแล้วสี่ร้อยห้าสิบปียังได้มาสังขั ญ, ญายนาครั้งนี้จะลึกพระธรรมวินัยเขียนเอาไว้เป็นตัวใ น, นลักอักษรและบัดนี้ที่ มาทําสังฆทานาเป็นทำหนังสือบันทึกเป็นและลักอักษรเอาไว้นั้นบางทีอาจจะเป็นพุทุชนธรรมดาอย่างเราก็ได้หรือบางทีอาจจะเป็นพระดิบุคคลสั้นเราอลรหรก็ได้หรือจะเป็นพระโสดาพระสกิทาขาแล้วแต่ละอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือบางทีอาจจะไม่มีพระอล้านก็ได้เราต้องควรจดจําให้มันดีวินธีใสยให้มันดี ถ้าใบวินัยสายแล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือหลักพระพุทธศาสนานี่ก็จะสุดไปสุดไปัดไปอย่างนั้นดังนั้นเมื่อพูดตอนนี้ก็อยากมาพูดให้เราเข้าใจกันอย่างที่คนโบราณท่านสอนว่าญาติโยมเกียรติธรรมะพระเจ้าพระสงฆ์ต้องเเกียรติวินัยเนี่ยเราไม่เข้าใจเกียรติธรรมะคือยังไงเกียรติพระวินัยคือยังไงเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องญาติโยมเมื่อภาพไปแสดงธรรม เป็นสัจจะทำให้ฝังญาติโยมกาฝังไม่รู้เรื่องไม่ต้องพูดอ น, นิสงฆ์ทําบุญอย่างนั้นทําบุญอย่างนี้ตายแล้วไปเกิดสวรรค์ตนนั้นตนนี้มีอ น, นิสงฆ์เท่านั้นกลับเท่านี้กันมาไปอย่างนั้นแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องที่คนต้องการเนี่ยคนมีกิเลสมันต้องอยากไปเกิดเมืองสวรรค์มันอยากไปเป็นเทวดาเนี่ยคนมีกิเลสหูตั้งขึ้นไม่ง่วงนอนเลยถ้าพูดเรื่องเป็นความจริงสัจจะ คือความจริงง่วงนอนเลยบางคนก็ถ้าเป็นผู้หญิงของข้าวเอาคำมากมาเคี้ยวกันถ้าเป็นผู้ชายก็เอาบุหรี่มาจุดไฟกันกกกเก๊กเ ก, ก๊กไปแหละฟังไม่รู้เรื่องบางคนก็หลับไปจริงๆก็มีแต่ญาติโยมไม่ได้เกียรติธรรมะความจริงแล้วญาติโยมฟังพระเทศไม่เข้าใจเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังกหา่าพระ เกียรติวินัยญาติโยมเกียรติธรรมะแต่ควมจริงไม่เกียจจะฟังไม่รู้เราก็เลยเหงหนอนตอนนั้นเองนี่ให้แสดงว่าคนใดไปฟังเทศฟังธรรมง่วงหลับง่วงนอนแสดงว่าคนนั้นฟังธรรมะไม่เข้าใจไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็เหงาหนอนเนี่ยถ้าหากคนที่มีคุณธรรมดีฟังแท่านเทศอย่างนั้นเออเรื่องนั้นมันหน้าที่เป็นอย่างนั้นเรื่องนั้นเป็นหน้าที่อย่างนั้นรู้จักไปเลยไม่ง่วงนอนอันนี้เรียกวย่าญาติโยมเกียรติธรรมะ คนในไปฟังธรรมะง่วงเหงาเหาวนอนแล้วฟังธรรมะฟังพระเทศไม่รู้เรื่องจําไปตรงง่วงนอนพระสงเกียติวินัยแบบนี้แต่พระสงฆ์ต้องการวิเนยจึงปองอบัติกันมีการแสดงพระปฏิโมกกันครบกึ่งเดือนในกลางพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วก็ยังทําบางวัดบางวัดก็ไม่ทําออกพรรษาแล้วก็แล้ไปแต่บางคนนะบางองค์พระสงฆ์บางองค์นะ ผมเองเคยได้เข้ารวมเรื่องนี้พอดีเข้าไปลงอุโบสถจําเป็นต้องปวงอบัตเพราะต้องกา ร, รโภบริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นวันนี้พอดีแสดงพระปฏิโมกขึ้นมาแล้วพระลงกอ ง, ง่วงนอนอยู่แล้วนี่ยพ่อพูดภาษาบาลีเนี่ยคนไทยฟังไม่รู้เรื่องแสดงพระปฏิโมกบางองค์ก็ส้งมงจึงจะจบบางองค์ก็ส้งมงกว่าบางองค์ก็สามสิบสี่สิบ นาทีแล้วแต่คนที่ขึ้นไปแสดงพระปฏชิโมกนั่งคล่องแพล่วหรือสํานานนันเองดังนั้นพระสงฆ์จึงเกียดวินัยคนใดเข้าไปทําสังฆกรรมในอุโบสถทางง่วงหลับง่วงนอนแลี่แสดงว่าพระองค์นั้นไม่รู้อะไรเลยเราจะเห็นได้ง่ายๆอย่างนี้อย่างที่หลวงพ่อพูดนี่ก็เช่นเดียวกันพูดให้ฟังไม่เข้าใจไม่รู้จําจปไปจนง่วงนอนเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้น อันนี้ก็แสดงว่าพระสงฆ์เกียดวินัยความจริงพระสงฆ์ไม่ได้เกียดวินัยต้องการอยากเป็นคนบริสุทธิ์แต่มันฟังไม่รู้เรื่องกระจำเป็นตรงงงห น, น่อย น, อนี่อันนี้เลยว่าพระสงฆ์เกียดวินัยญาติโยมเกียดธรรมะฟังแล้วให้เข้าใจดังนั้นการที่คนตายนี่อย่างที่พูดแล้วให้ฟังฟังแระจำให้มันได้คนตายพ่อตายแม่ตา ย, ตายลูกตายเมียตายหัวตายเมียตายเสียอกเสียใจบางคนเป็นบ้าแต่ก็มี บางคนเป็นหนี้เป็นสิ น, นกันก็มีบางคนมีเงินเป็นจนํานวนมากพอดีถึก อ, อุบัติเหตุอย่างนี้ขึ้นมากินเหล้าเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนซ้วเป็นมิตรเกียรติค้านกันงานโอ้หลายเรื่องอบา ย, ยมุกหกทาผิดไปเพราะว่าเสียใจทีแรกยังไม่เคยกินทีแรกไม่เคยลิ้นทีแรกไม่เคยทําเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่คิดดี พอดีมีความเสียใจขึ้นมาก็ทำไปอันนี้แสดงว่าเขาเสียใจคนพระเจ้าพระสงฆ์ก็ตามต้องไปทำความเข้าใจให้บุคคลผู้เช่นนั้นแหละกลับเนื้อกลับตัวไม่ต้องเสีย อ, อกเสียใจมันเป็นธรรมดาคนตายคนไทยก็ตายคนจีนก็ตายคนฝรั่งเศสก็ตายคนอังกฤษก็ตายให้ว่าคนและทุกชาตทุกภาษาตายทั้งนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ย ไม่มีที่ไหนเลยคนไม่ตายแล้วจะไปเสียใจทำไมแต่ว่าเสียใจก็เป็นธรรมดาเอาคืนไม่ได้เราไม่ควรที่จะไปเสียใจอย่างไงเราต้องคิดว่าคนที่ตายตายไปแล้วเราที่มีลมหายใจอยู่จะทำยังไงจึงจะดีจะมีคนรู้ตัวเราหรือนับหน้าถือตากันภาษาบ้านเรียกว่าวนับหน้าถือตาคนทำคุณดีคมงามต้องมีคนนับถือ อ ย, อย่นนัน้ดังนั้นคนทําคมชั่วไม่ระวังทําคมดีนี่ต้องอายคนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าหลังขาบ้านเราเนี่ยถ้ามุงหญ้าในบ้านหลวงพอ่อจะคนมุงหญ้าขาหญ้าแฟกไงหญ้าแฟกต้องซื้อมาจากทางน้องขายหญ้าขาต้องเกี่ยว อ, อที่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่มีหญ้าขาหญ้าแฟกไม่มีมีแต่สังกะสีมุงกันหลังขาบ้านของเรายิ่งมุงก็ยิ่งบาง ย, ยิ่งมุงดยียิ่งบางดี ฝนตกไม่รัวรดฝนตกไม่เปียกเอมุงดีเด้มุงดีก็ยิ่งบังดีที่บ้านี้แดดไม่ร้อนฝนไม่เปียกหลังคาบ้านมุงดีบังดียิ่งมุงก็ยิ่งบงังมุงดีบังดีฝนตกไม่รัวลดบ้านน้อยๆนั้หลังคามุงแฝ ก, กบ้านเราพอแต่พูดภาษาอย่างที่เราพูดภาษากลางเนี่ยไม่ค่อยดี ถ้าพูดเป็นภาษาพื้นบ้านดีบ้านน้อยๆ ห, หลังคามุงแฝกนึ่งเข้าจินกับหมกปลาแดกนอนหลับฝนตกบุบหัวสบายใจวันนี้คมชั่วยิ่งปกปิดยิ่งล้วลุดยิ่งปกปิดยิ่งล่วลุดน่ว่าอย่างไรเนี่ยคนเราถ้ากินเหล้ามันขมชั่วอยากกินเถิดลุงกินเปนยังไงมันเมาแล้วกูไม่เมาเนี่ย ยิ่งพูดข่มสกปวกเข้าตัวทางนั้นคนเที่ยวกลางคืนหรือนักเลงการพ น, นันอะไรทั้งหมดเลยมีคนห้ามคนว่าไม่ผิดแสดงว่าเอาข่มชั่วมาพูดฆ่าตัวเองดังนั้นเนาะว่มชั่วยิ่งปกปิดยิ่งรั่วลดเลยรั่วลดที่ไหนคือมันปิดไม่ได้ควมรับยึงไม่มีในโลกท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นคนเราทุกคนไม่ควรทำข่มชั่ว ควรที่จะพึ่งประพฤติปฏิบัติให้มันดีมันงามขึ้นคนต้องลู่จากคนเพราะคนเกิดมาเป็นคนเนี่ยไม่ใช่สัตว์คนเกิดมาเป็นคนต้องกินนมคนสัตว์เกิดมาต้องกินนมสัตว์เส้นหัวควายบ้านเราเรียกว่าหัวควายพูดภาษากลางเรียกว่าวัวควายใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยหัวควายสุนัขสุนัขบ้านเราเรียกว่าหมา มันกินนมแม่มันนันะหมูเกิดมามันกินนมแม่คนเกิดมามันนกกินนมแม่มันมันต้องรู้จักอย่างสุนัขนี่ <c oughs> เกิดมามันกินนมแม่มันมันไม่เคยกัดแม่มันพอเด็กใหญ่ขึ้นมาแล้วมันแม่มันไปแย่งกินอาหมันกัดแสดงว่าคนนั้นไม่ใช่คนไม่รู้จักคุณค่าของผมเป็นคนไม่รู้จักคุณบิดามารดาไม่รู้จักคุณครูบาอาจารย์ไม่รู้จักคุณเพื่อนฝูงของตัวเองจะเป็นคนได้ไหม เป็นได้หน้าตาแทงขามือเท้าเป็นคนจิตใจอาจจะเป็นเปรตก็ได้เป็นผีก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เนี่ว่ามนุษย์เดรัจฉานมนุษย์สัเปโตมนุษย์เปรดังนั้นคนมีตาทิพย์จึงสามารถมองเห็นสิ่งนี้ได้แต่ตาทิพย์ของพวกเราทุกวันนี้ก็นั่งอยู่ที่นี่ต้องมองเห็นโน่นเลบจะออก เลขที่เท่านั้นทนี้เนี่ยเข้าใจไปอย่างนั้นหรือมองเห็นคนพูดอะไรอยู่ที่ไหนไม่มีความลับเลยเนี่ยผู้ทุจนกับพระเนี่ยบุคคลมันไกลกันกับคนจิ่งที่ที่นํามาเนาให้ฟังวันผู้ทุจริตมันชอบคิดอย่างนั้นมีมนหายตัวได้หาถมคาถาสนมสน่หเครื่องรางของของังมันชอบไปอย่างนั้นคนเกิดมาต้องแสวงหาความดีทั้งนั้น สแสวงหาเครื่องรางของขังสนมสเสน่ห์กระตุกมนยันต์แต่ของสิ่งนั้นไม่ใช่เพ็นของจริงคนที่ไม่รู้ก็ต้องจําเป็นต้องเรียนเป็นอย่างไรตัวเองนี่เรียนมาแล้วไปเรียนกับยังขบมาอยู่ดอนพุง่งนี่อุ้มรู้จักดอนพุ่งไหมอเออยังขบมาเป็นคนมีวิสาแข็งแรงพลั่งเอาเหอเรือเขาเร็วเื อ, เ อ, เอบ้านหลวงเขาเร็วเหอขึ้นไปเห็นนกยูงเอกปืนยิงไม่ออกาเพราะว่า ยาคูบุญมานี่เอาเพชปอกทองใสแครงใสขานุองอยุ่ปล่อยไปแล้วปืนยิงไม่ออกแล้ ว, ลวก็ยักได้ปืนยิงไม่เข้ามีดผ้าฝันไม่ปืนยิงไม่ออกมีผ้าฝันไม่เข้ายักดีแต่คนมันไม่เข้าใจมันจะเข้าใจไปเรียนนัำทันค <c oughs> มมนเขาบางคำก็จำได้บางคำก็จำไม่ได้ <c oughs> ที่มันจมบอยก็คือว่ามนคงนั่นเองเพราะว่ายักคง อมทุลีทุลีอยู่ท่านอกูมีแผ่นทองกล้งพานคำพูดหนะ้าผากแกนปันหินตีนแกนปันเล็บและบัด น, นี้มารูปองคอตัวกำลังปฏิบัติธรรมะรูจ้จกไม่มีแผ่นเดล็กแผ่นทองอะไรเลยเพาว่า มสมมุติอมธูลีธูลีหอกุมีแผ่นทองกัง้งพลาสันมันจะมีแผ่นเหล็กแผ่นทองอะไรสมมุดพูด น, น, น, น่าน้าภาคแก่นปันหินอะไรเขาไปตีแตกเลยมันจะแก้นที่แข้งอะไรกันตีนแก้นปันเหล็กน้ําปักกระเข้าเนี่ยเนี่ยคนมันไปชอบอย่างนั้นเหรอคนชอบหาของดีของนั้นไม่ใช่ของดีดีสําหรับบุคคลผู้ที่ไม่สลาดดีสําหรับคนโง่วัด่านั่งก็ได้คนโง้อมันทําเป็นอย่างนั้น คนว่าคนโง่เครียดคนรค้อนคำว่าบ่งู้แขกเด่น้อยหนึ่งความอันบ่งู้กับโงูกับไม่สลาดนั้นคําเดียวกันดังนั้นน่ะคนเนี่ยจังหวะซ่อมหาของดีของนั้นมันไม่ใช่เพียงของดีของไม่จริงไม่ จ, งมจังไม่ดีเครื่องรางของขังมีไว้ทําไมมีไว้สําหรับหลอกคนผู้ที่โง่โง่นั่นเองใช่ไหมมีไว้สําหรับหลอกคนผู้ที่ไม่รู้คนไม่รู้คนโง่ต้องติดอย่างไรพวกเราเป็นชาวพุทธ ต้องเป็นคนสลดัดอย่างไปถืออย่างนั้นเราต้องรู้สึกว่าควรหรือไม่ควรเห็นว่าสาวพุทธเนี่ยโดยมากถือศาสนาพุทธไม่เข้าใจความหมายตัวของผมเองเป็นคนไทยเพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นคนไทยเราเกิดมาก็ต้องเป็นคนไทยพ่อแม่ก็เป็นสาวพุทธตัวเองเกิดมาก็ต้องถือศาสนาพุทธแต่ไม่เข้าใจบอกคมเป็นไทยนะี่คืออะไร บางคนไม่รู้ถือว่าเราเกิดในเมืองไทยเป็นคนไทยไม่ใช่อย่างนั้นเป็นสาวพุทธมีวัดมาอารามโบทวิหารว่าเราเองได้ถือศาสน า, าพุทธเนี่ยเข้าใจอย่างไรดังนั้นคำโบราณท่านจึงสอนว่าพระพุทธไม่ใช่ทองคำเหมือนผ้าธรรมไม่ใช่ตัวนหนังสือพระสงฆ์ไม่ใช่ลูกสาวบ้า น, เ, นเมื่อฟังอย่างนี้ควรจะเข้าใจทันทีถ้าเราคนมีปัญญาพระพุทธไม่ใช่ทองคํา เราไปเห็นพระพุทธรูปโอดหองคำํำหรือผ้าเงินลอกเราก็กราบกขาไว้อันนั้นเป็นเพียงสมมติดีแล้วถ้าเราไม่ลูกของจริงคนรู้สมมุติเห็นผ้าเหลืองเหลือมายกมือไหว้คนสบายใจแต่ความจริงสิ่งนั้นมันไม่ใช่เป็นของจริงของแท้ให้เราเข้าใจศึกษาหลักพระพุทธศาสนาให้เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจแล้วการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาผิดปฏิบัติก็ผิด คนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าทางกุ้งยาวไก่ไปไม่ถึงทางกุ้งยาวไก่ไปไม่ถึงให้เข้าใจกันว่าทางกุ้งยาวไก่ไปไม่ถึงหมายความว่าอย่ไม่รู้แต่ก่อนตัวของผมไม่รู้ตัวของอาตมาไม่รู้เดี๋ยวนี้รู้ดีทําทำไม่จึงรู้เลยรู้ดีรู้ชอบรู้ดียังไงทางกุ้งทําบุญนี่ก็ว่าปัถนะอสวรรค์ นักาสาธินเขปนาปฎิฐานเอาสิวันอัสวรรค์แม้ทุกสิ่งทุกอย่างเอาเข้าเสบา่าเขาปฎิฐานอสวรรค์สวรรค์อยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วทํากี่ปีกี่เดือนกี่วันจึงจะหยุดไม่รู้จะหยุดเมื่อใดไม่รู้ไม่รู้เมื่อเราไม่หยุดแสดงว่าเราไม่รู้แม้ทํากรรมฐานก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่รู้ก็มไม่รู้จัะหยุดวันนี้จเจริญวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันจเจริญไปจนตายน่นละ มันไม่รู้จักหยุดแต่มันจะจะรู้ทําไมพระพุทธเจ้าท่านสอนรู้แล้วต้องหยุดได้เี็ว่าหยุดไม่ได้เพราะมันใหญ่ไม่เปลน่ยนคุโบราณท่านสอนดูไม่ได้เพราะมันใหญ่ไม่เป็นคือขอให้อยู่ที่นี้อยู่ที่นั้นะอยู่ไม่ได้เพราะมันใหญ่ไม่เป็นเย็นไม่ได้เพราะมันไม่รู้จักหยุดมันจะเย็นได้ทําไมมันก็หาอยู่จนตายอยู่อยู่ไม่ได้เพราะมันใหญ่ไม่เป็นเย็นไม่ได้เพราะมันไม่รู้จักหยุดยิ้มไม่ได้อะ เพราะไม่รู้จักอายยิ้มไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วคนไม่มีอายเลยอยากพูดยังไงก็พูดไปเลยนวดทางกว้วางเงาไก่ไปไปถึงทห็นไ่มมันนิทางกว้วงยาวไกลไปให้ถึงคนนึงขึ้นเดินไปด้วยเท้าคนนึ่งขี่ม้าขี่เกวียนไปคนนึ่งขี่รถยนต์ไปคนนึ่งขึ้นเครื่องบินไปอ้าวถามใครจะถึงคนกันสมมุติไปกรุงเทพคนนึ่งเดินไป สมมติแต่คนนึงขี่มา้าขี่ล่อขี่เกียนคนนึงขี่รถยนต์คนนึงขึ้นเครื่องบินแปเอใครจะถึ ง, ง, ง, ถงก่อนตอนเครื่องบินเทิงก่อนอ น, นี่ก็เช่นเดียวกันต้องรู้จักวิธีเลือกเอาคนไทยถือศาสนาพุทธถ้าไม่รู้จักเลือกเอาอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้กินเนื้อมันเลยเราเป็นคนลูกคนกินนมคนควรรู้จักหน้าที่ของคน และปฏิบัติหน้าที่ความเป็นคนให้ถูกต้องเมื่อปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นคนให้ถูกต้องเราก็ต้องปฏิบัติเลื่อนซันขึ้นให้เป็นมนุษย์เมื่อปฏิบัติเลื่อนซั้นให้เป็นมนุษย์แล้วก็ต้องปฏิบัติเลื่อนซั้นใหเน้เป็นเทวดาเป็นเทวดาแล้วก็เป็นพระอินทร์เป็นพระพรหมที่สุก็เป็นพระเดียเจ้าได้ทันว่าอย่างนั้นดังนั้นคนเราเกิดมาจริงไหมรู เมื่อไม่นุกธทําไปพูดไปคิดไปอะไรก็ทุกทางนั้นแต่ว่าทูกทูกผิดหรือถูกต้องนึกทุกหน้ามือหรือถูกหลังมือถ้าหลังมือเทียก็ถูกไม่ถูกคนรหนถูกไม่ถูกเนี่ยมันถูกอย่างไงที่ว่าคนเราคนศึกษาให้รู้จักหน้าที่ของตนเองถ้าเรารู้จักตนเองเสร็จแล้วการเดินทางของเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้ ดังนั้นที่ผมนํามาเล่ามาเสนอเนีะนี้การไปเทศงานศพของนักเขียนต้องเทศไปอย่างนี้ใช่ไหมทุกท่านฟังใช่ไหมฟังอย่างนี้ที่นํามาเล่าให้ฟังเนี่ยคนใดไม่เข้าใจแล้วก็จะปฏิบัติผิดคนใดไม่เข้าใจแล้วปฏิบัติก็ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งไกลไปถ้าเราเข้าใจแล้วปฏิบัติก็ ง, งา่ายๆหลักพระพุทธศาสนานเนี่ยคําสอนของท่านมาก แต่จะเอามาใช้เป็นยารักษาโรคนิดเดียวท่านจึงพูดเอาไว้อีกคำหนึ่งของคนโบราณนะว่าเรากินข้าวที่ผมพูดนี่ก็คล้ายๆกันแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่โกดไม่ใช่มาตำหนิเพียงร้อให้ฟังคนเรากินข้าว ก, นน ก, นานกนินเนื้อกินปลานี่ยกินเตนเนื้อกับปลาก็กินเตนซีนมันเ น, เนื้อมันเราไม่กินดุกไม่กินข้าง แต่เดียวนี้กลับเป็นคนกินดุกกินก้างเนื้อไม่กินกินเอ็นกินกระดูกกินก้างทำไมกินดุกกินก้างพูดธรรมะให้ฟังว่าไม่จริงไม่เอาเลยไม่นำไปใช้ไม่นำไปปฏิบัติแสดงว่าคนนั้นไม่กินเนื้อกินแต่ก้างแต่เมื่อมาพิจารณาดูแล้วคนมันต้องกินเนื้อไม่ต้องกินดุไม่ต้องกินก้างเราเป็นสาวพุทธก็เช่นเดียวกันไม่ควรที่ทาให้ผิดเมื่อทาผิดพลาดก็แสดงว่า นำขมผิดขมโซลายมาไว้ให้ลูกให้หลานเห็นจึงว่าบ้านผมถ้ากินปลาก็ตามกินเนื้อก็ตามกินเนื้อก็ต้องกินเนื้อกระดูกไม่กินเก็บไว้เก็บใบผาขาบ้านผมกินแต้งผาข้าวมากินข้าวต้องแต้งผากินแล้วเนื้อมันกินกระดูกมันเอาทิ้งก้างหมาทิ้งทิ้งทําไมทิ้งเอาไว้ให้หมากินให้แมวกินหมากับแมวมันกินก้าง กินเอ็นคนต้องกินเนื้อถ้าเราไปหากินข้างกินกระดูกกินเอ็นก็แสดงว่าเรายังไม่ได้เป็นมนุษย์แท้เป็นแต่เพียงคนเท่านั้นเองเพราะไม่มีตาทิพย์ไม่รู้เลือกคัดจัดหาออกมาใช้มันได้ดังนั้นการถือหลักพระพุทธศาสนานี่อย่างที่พูดให้ฟังเนี่ยสองห้ายี่ปีแล้วแล้วมาคิดเทียบส่วนของอายุของคน อายุของคนตั้งเจนอเอาแปดสิบปีเป็นเกณฑ์บัดนี้สังขารยานายขั้งที่ห้าพระพุทธเจ้าตายไปแล้วนิพพานไปแล้วมีอายออุที่สังขารยานายสี่ร้อยห้าสิบปีเมื่อมาคิดเทียบส่วนกับอายุของคนสมัยนี้หรือของคนสมัยนั้นเอาแปดสิบปีมาหารเลยแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสายิบสี่แปดสี่สาสแปดห้าสี่สิบ ถ้าอายุ80ปีก็ต้อง5ซัวคดบัด น, นี้เราถามเคยถามมาหลายคนแนละ้วเธอเกิดมาอายุกี่ปีถามเขาถามท่านก็ได้คุณเกิดมาอายุกี่ปีแล้วครับอายุกี่ปีบ36ปีพ่อคุณสอนเรื่องอะไรทีแรกคําแรกที่สุดจำได้ไห้จไม่ได้แน่นี่ก็แสดงว่าพ่อเราแท้ๆได้สอนเราเพียงอายุ 20-30 ปีก็จําไม่ได้ แล้วจะไปจําคําพูดอั น, นั้มาเราสุกันฟังได้ไหมแต่คนเรามันเข้าใจผิดว่ามีพระอรหันต์จื้อศาสตร์ได้อย่างนั้นอันนั้นเนี่ยคนมันเข้าใจผิดยิ่งเหอกันใหญ่ทุกวันเนี่ยถ้าคนใดจําราบได้ยิ่งเหอกันเลยคนนั้นเป็นผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์นี่แสดงว่าเราถูกเขาหลอกเขาต้มเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่สลาดเพราะเราไม่ได้วิจัยคําสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอายุสามสิบปีก็ยังจําไม่ได้ แต่พวกนี้ถามเนี่ยแม่รัตอายุกี่ปีแล้วหูซีมาพ่อแม่ของแม่รัตสอนเรื่องอะไรทีแรกที่สุ ด, ดแหน่แน่เป็นไงเอาคุณเพลงอายุ ก, กี่ปีแล้วยี่ปีจำได้ไหมพ่อแม่สอนนีแน่ให้เข้าใจยังนี่อนุ่ววันนี้พ่อของเราจําสอนเราเพียงเราอายุขนันดับจำมาได้วันนี้พ่อของพ่อสอนพ่อมาอย่างไงผมว่าจะจําได้น้อยที่สุดหรืออาจจะไม่ได้ วันนี้พ่อของพ่อนะพ่อเราปู่เราปู่ของปู่นะพ่อของพ่อเนี่ะเอามาให้เรานั่งเร็วนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไหมอันนี้ไม่ใช่พ่อของเรานี่มันไม่รู้เลยเอากันเพียงสมมุติให้ฟังเนี่ยเอาพ่อเราพอที่จะมองเห็นถ้าปู่เราบางคนไม่ทันเห็นวันนี้พ่อของพ่อน่ะรับรองว่าจะไม่เห็นเลยเนี่ยพ่อของพ่อเนี่ยเอามานั่งอยู่เนี่ยฉันเป็นพ่อเป็นปู่เป็นทวดเป็นตาเป็นยาของเราไม่รู้เลย แสดงว่าการพูดความจริงให้ฟังคนจึงไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันติดสมมุติมาจึงไม่รู้จักสมมตินองดังนั้นมาปฏิบัติธรรมาจึงให้รู้จักสมมุติจริงๆถ้าไม่รู้จักสมมุติแล้วปฏิบัติผิดเลยจึงว่าสมมติบัญญัติและปาลมัตดบัญญัติอัฏฐบัญญัติและอริยะบัญญัติสมมุติบัญญัติกฎสมมุติเป็นตัวบทกฎหมายพระสงฆ์องค์เจ้านบวชเป็นอะไรก็ศึกศึกและขบวน ผมเนี่ยบวชมาสามครั้งแล้วนี่ครั้งแรกที่สุดเป็นเนนปีหกเดือนสองพันสามครั้งที่สองมาเป็นพระหนุ่มอายุยี่สิบปีบวชหกเดือนศึกไปมีครอบครัววานนี้มาเป็นหลวงตาท่านสิอายุสี่สิบกว่าปีมาบวชนี่เป็นอยังไงอันนี้แสดงมาบวชแล้วก็ศึกศึกแล้วก็บกกวชจะไปถือมั่นถือหมายกันเลยแต่ว่าอย่าเป็นตำหนิอย่าไปดินทาง เราทําตัวของเราเป็นพระเจ้าคนการทําพูดคิดไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเองจกี่ไม่มีคมละอายเมื่อไม่มีคมละอายแล้วจะว่าอย่างไงก็สัตว์เดรัจฉานนี่นะแต่แข้งขาหน้าตามือเท้าไม่ใส่ไม่ ใ, มใส่ตว์เป็นคนทํำไมจะเป็นสัตว์ใจมันเป็นใจมันเป็นแล้วใจไม่มีคมละอายนั่นแหละเดวสัตว์เดรัจฉานไม่รู้ดีไม่ได้ชอบเดวสัตว์เดรัจฉาน ทำไมแม่มันก็กัดไดห้หรือว่าใครๆเพื่อนท้องเดียลมันก็กัดกันเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นอันเนสแสดงว่าถ้าใครทําอย่างนั้นก็ไม่ใช่พูดตำหนินะอย่างจิตใจตามเกิดไปยังไม่สมควรที่ว่าเป็นมนุษย์ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คนเลื่อนซั่นตัวเองการทําการพูดการคิดเห็นจิตเห็นใจตัวเองมันนึกมันคิดยังไงเราต้องรู้สึกเอาสนะมันให้ได้ ถ้าไม่เอาสนะมันได้เราก็เป็นาธาตุของความหลงผิดกันดังนั้นคนทุกคนมันมีกายกับใจหรือมีลูกกับน้ำภาษาบ้านเราเรียกว่ากายกับใจภาษาธรรมะเรียกว่าลูกกับน้ำศึกษาที่ในศึกษาที่ตรงนี้ก้วงซอกยาวานาคืบนี้มีพร้อมแล้วให้เราศึกษาได้ทุกอย่างเลยนะแต่คนไปศึกษาเขาต้องไปนั่งต้องมองเห็นสีสแสงผีเทวดานารกสวรรค์ เป็นทูตของสวรรค์เนี่ยไปอย่าง น, นัอันนั้นแสดงว่าคนไม่รู้จริงแต่เขารู้รู้จริงเขาเห็นสีแสงผีเทวดานั้นเขาไม่ได้เห็นจริงแต่เขาเห็นจริงแต่สิ่งที่เขาเห็นเขาเห็นจริงแต่สิ่งที่ทุกเห็นเนยไม่ใช่ของจิตให้เข้าใจว่ามันหลอกเราคนโบรานท่านจริงสอนว่าจิตใจคนนี้กาะกลับได้ไวดุดมีลานไขในตนเราท่าน ควรบังคับคนให้จิตหมุนมาแต่นในทางข้างดีถ้าปล่อยปะละเลยให้จิตหมุนไปในทางข้างกีดทำที่มีก็จากนี้จากไหนาหายศูนย์อะทำเข้าครอบงำํำข่มระยันสำบูรณ์กับปี้นปอกหลอกตันมันหลอกตัวเราจิตของเรามันหลอกตัวเราเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็สัง่งเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบนเป็นอย่างนั้น <c oughs> ดังนั้นเรามาที่นี่ต้องการทําพูดคิดต้องดูจิตดูใจ ดูการเคลื่อนการไหวของเราเอง พ, พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วว่าให้เรามีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้แต่อิริยาบถ ท, ทั้งสี่นี่ก็ยังไม่พอคับต้องมีสติกำหนดรู้ติดตามในอิริยาบถ ย, ย่อยผู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามเพื่ออะไรเราไม่ทำเลยมีได้เรียนกันอย่างนั้นเลย เมื่อเราไม่ทําจะรู้ไหมไม่รู้ก็เที่ยวเทศเที่ยวสอนเที่ยวคนดัานาไปอย่างนั้นอันนี้คนนามาเตือนกันถ้าไม่รู้เองอ่ะจะไปสอนคนอื่นได้ไหมไม่ได้สอนก็นสอนไปอย่างผิดผิดทุกทุ ก, ทกสเปะสป่าไปอย่างนั้นแหละเพื่อท่านให้กําหนดรู้คือให้รู้ตุทุกนั่นเองจิตวัตรุกสมุทัยนิโรธมรรทุกต้องรู้สมุทัยต้องละมรรทกต้องเจริ นี่โลดทำให้แจ้งอาจารย์บสติปทานสิเรียกว่าวิปตนกรรมฐานแต่เราไม่เคยรู้แต่ตำหาักเขาว่าทุกเพราะเกิดมาแล้วก็ต้องแก่จิตตายผมงอกฟันหักเนื้อหนังมันต้องแห้งต้องแหวไปนอสแต่ความจริงอันนั้นมันทุกข์กับตำหาความจริงท่านสอนให้เรามีสติเข้าไปกำหนดรู้ในเรีบทนันก็หมายถึงท่านอยากให้รู้ทุกข์กันเอง เพราะการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นทุกขังมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาทุกขังหมายถึงรูปเนี่ยมันติดกันอยู่รูปกับนามมันติดกันอยู่แยกกันไม่ได้เยว่าทุกขังอนิจจังนั่งนิ่งๆไม่ได้มันมีการเคลื่อนไหวพิบตาหายใจนึกคิดเนี่ยอนัตตาบังคับบรงสาไม่ได้บัดเดี๋ยวเราไปทํากรรมฐานจําเป็นต้องนั่งหลักตาควรมเข้าใจผิดของคุณจึงว่าทําสมาธิเนี่ย นั่งหลับตาคำว่านั่งหลับตาว่าศึกษากัธรรมชาติอันนั้นมันผิดธรรมชาติธรรมชาติตาต้องมีคนเดินผ่านไปมาต้องเห็นตามีสําหรับไว้ดูหูมีสําหรับไว้ฟังจมูกมีไว้สําหรับดมกลิ่นปากเรากินอาหารเข้าไปมีไว้สําหรับรูรสกายของเราเนี่ยรูปของเรามีไว้สําหรับสัมผัสเย็น้อนอ่อนเขยจิตใจมีไว้นึกคิด อันนี้ไปนั่งหลับตาแล้วก็ฟื้นธรรมศาสตร์มันเลยมันไม่รู้อยากพิษเลือดซ้ายแรงขวาไม่รู้นึกว่าตัวเองทํากรรมฐานแต่ไม่รู้กรรมฐานคืออะไรไม่รู้มันไปติดอกอย่างแต่มันก็ดีไม่ใช่ไม่ดีเนี่ยมันดีดีแบบไม่รู้เนารู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้รู้ให้เราเขาจะรู้อย่างคนไม่รู้อันนรู้อย่างผู้รู้เนี่อรู้อย่างผู้รู้ก็ต้องรู้ตามแบบแผนแนวพระพุทธเจ้าสอน ดังนั้นจึงว่าเอาบุญก็ได้เอาสวรรค์ก็ได้เอานิพพานก็ได้จริงวะทางก้วงยาวไกลไปให้ถึงถ้าเราไม่เดินไปถูกจังหวะแล้วเราไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะพบเห็นสวรรค์ น, นิพพานได้ที่นํามาเล่าให้ฟังวันนี้ก็เพื่อว่ามาเตือนจิตสักจิตใจของพวกเราเพราะว่าเทศน์ที่นั้นโอ้ไปเทศบ้านลูกชายคงจะเว้าสิ่งที่ดีๆให้ลูกสาวลูกชาย เมื่อพีพีน้องๆลูกหลานฟังอย่างละเอียดละออนไม่ใส่พูดอย่างนี้แหละเพราะว่าคนตายนั้นเสียอกเสียใจคนที่ยังมีชีวิตอยู่จําเป็นคนเป็นๆต้องเปลีปรับทําความเข้าใจอยากสู้เข้าใจว่าไปให้มัติกาบางสกุลนั้นให้คนตายไม่ใส่อย่างนั้นคือไปทําให้คนที่มีชีวิตอยู่อย่างสบายใจเท่านั้นเองแต่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไปบางคนก็ต้องไปประจบประแจงกันอย่างนั้นอย่างนี้ ไปประจุ ป, ประแจงมันจะทําไหมอะไ ร, ะไรมากมายเกินไปตายแล้วก็เอาไปจุดไปเผากันอย่ากมันเสียเวลาเวลามันจะเสียเวลาการทํามาหากินและคนที่ไปช่วยก็ต้องมีข้าวมีน้ํามีปูมีปลามีเงินมีทองไปช่วยเขาบ้างถ้าเขาอดข้าวเอาข้าวให้เขากินเขาก็สบายใจถ้าเขาไม่มีเงินเอาเงินช่วยไปให้เขาเล็กน้อยเขาก็สบายใจบัด น, นี้เรามั่นเประยปรบับตอนเศร้าตัวเย็นเขารักเราก็ต้องรัก เขาหลักเราเราต้องหลักเขามันเป็นอย่างนั้นดัง น, น, นั้นการสร้างคนดีของงานไม่ยากแต่คนไ ป, ไปสอบสร้างเอาขาถมขาถาสนมสเสนภาวานาให้คนชอบเราการซื้อการขายจะได้ร่าได้รวยมันจะร่ารวยทําไมขี้เกียจแต่มันไม่ร่ารวยคนไม่รู้จักการจักงานเนี่ยมันไม่ร่าไม่วยคนขยันขันแข็งรู้จักการรู้จักงานเนี่ยคนนั้นนจะร่ารวยได้ดังนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็เช่นเดียวกันญาติโยมก็เช่นเดียวกัน หลักพระพุทธศาสนานี้อยู่ที่การกระทำท่าว่ า, าศาสนาของเราตถาคตนี่จะเจริญงอกงามก็ต้องอาศัยบริสัท์สี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุวสิการประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่มักผลนิพพานก็จะไม่ว่างจากดรกนี้ท่านว่าในทางตรงกันข้ามแต่พระธรรมวินัยมีอยู่อุบาสกอวสิการไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามแล้วพระธรรมวินัยนั้น ไม่ประพฤติปฏิบัติตามแล้วกว่าหักพุทธศาสนาองอัตาริยทานให้ไปกันไ้นอย่างนั้นพูดสันส้นๆอีกคำหนึ่งหากมีพระธรรมไม่ใดอยู่มีผู้ประพฤติปฏิบัติตามมักผลนิพพานจะไม่ว่างจากบลกนี้พิชซูฆราวาสญาติโยมอยู่โดยสอบแล้วพระอรหันต์ก็ไม่วางจากโลกนอยู่โดยสอบอยู่อย่างไงอยู่ด้วยสติปัญญาไม่ใสีอยู่ด้วยความโง่เขาเบาปัญญาคขอบุให้กว้าง คำว่าบริษัทสีนั่นก็คือผู้หญิงผู้ชายเพศหญิงเพศชายสองเพศเท่านั้นทิกจูกับผู้ชายภิกจูนี่ก็ผู้หญิงถ้าสองเพศนี้ประพฤติปฏิบัติตามอยู่แล้วมรรคผลนิพพานหรือพระอรหันต์ก็จะมีอยู่ที่ตรงนี้เองดังนั้นพวกเราฟังธรรมะต้องเข้าใจบริษัทสีเนี่ยเข้าใจว่ามีจํานวนสี่คนคนหนึ่งไม่รู้ธรรมะต่เที่ยวเทเที่ยวสอนว่าตัวเองเป็นคนรู้ธรรมะเนี่ยเป็นการทําลาย หลักพระพุทธศาสนาให้จิตหายไปคนที่สองแบบนี้ไม่รู้ไม่สอนอยู่ไปกินไปบวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็อยู่ไปจิตไปคนนี้ก็ ย, ยังชั่วไม่ทําลายบางคนรู้แล้วหนีเข้าไปอยู่ในถ้าในหูไม่เทศไม่สอนหนักพระพุทธศาสนาก็ไม่เจริญคนที่รู้แล้วไปสอนคนนั่นแหละเรียกว่าทําให้เจริญคนนั่นแหะรู้แท้รู้แจ้งรู้จริงเนี่ไปสอนให้คนที่ไม่รู้ได้รู้นั่นจึงว่าพระจึงไป็ผู้สอนคน โยมสอนคุณก็เป็นพระได้พระสงฆ์องค์จะไปสอนโยมก็เป็นพระสงฆ์โดยสมมุติเรียว่าสมมุติสิสงเรียกว่าพระอริยสงฆ์ถ้าโยมไปสอนคนแบบนี้ก็สมมุติเป็นผู้สอนคนนี้เป็นพระทางใจเรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลสอนคนให้คนรู้พน้นไปจากความชั่วให้เขามาตั้งตัวอยู่ในคุณดีคงงามและประพฤติปฏิบัติตาม แนวคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นให้ถูกให้ตรงเอาแหละที่อาตมาได้นําธรรมะมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกินเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ในสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําสั้งสอนขององค์สมเด็จพระธรรมา